หัวข้อทุกขนิโรธอริยสัจความจริงเกี่ยวกับการดับทุกข์ดูกรอิสุทษุ์ทั้งหลายก็ทุกขนิโรธอริยสัจเป็นไนความสำรอกและความดับโดยไม่เหลือความสลัดความส่งคืนความปล่อยวางความไม่มีอะไรในตัณหานั้นก็ตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละจะได้ในที่ไหนเมื่อจะดับย่อมดับในที่ไหน ที่ใดเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตันหานั้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้อะไรเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกเมื่อบุคคลจะละเมื่อบุคคลจะดับตันหาย่อมละเสียได้ดับเสียได้ในที่นี้ จักขุวิญญาณโสตะวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายาวิญญาณมโนวิญญาณเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกเมื่อบุคคลจะละเมื่อบุคคลจะดับตัณหาย่อมละเสียได้ดับเสียได้ในที่นี้จักขุสัมผัสโสตะสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลก เม no to da por ื่อบุคคลจะละเมื่อบุคคลจะดับตัณหาย่อมละเสยได้ดับเสยได้ในที่นี้จักขุสัมผัสสัชาเวทนาโสตสัมผัสสัชาเวทนาคณะสัมผัสสัชาเวทนาจิวหาสัมผัสสัชาเวทนากายสัมผัสสัชาเวทนามโนสัมผัสสัชาเวทนาเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกเมื่อบุคคลจะละเมื่อบุคคลจะดับตัณหา ย่อมละเสียได้ดับเสียได้ในที่นี้รูปสัญญาสัทธสัญญาคันธสัญญารสสัญญาโพธพาสัญญาธรรมะสัญญาเมื่อบุคคลจะละเมื่อบุคคลจะดับตัณหาย่อมละเสดได้ดับเสียได้ในที่นี้รูปสัญเจตนาสัทธสัญเจตนาคันธสัญเจตนารสสัญเจตนาโพธพาสัญเจตนาธรรมะสัญเจตนา เป็นที่รักที่เจริญใจในโลกเมื่อบุคคลจะละเมื่อบุคคลจะดับตัณหายอมละเสยได้ดับเสยได้ในที่นี้รูปตัณหาสัทธตัณหาคันทะตัณหารถตัณหาพุทธภะตัณหาธรรมะตัณหาเมื่อบุคคลจะละเมื่อบุคคลจะดับตัณหายอมละเสยได้ดับเสยได้ในที่นี้รูปาวิตกสัทธาวิตกคันทวิตกรถวิตกพธภวิตก ธรรมวิตกเมื่อบุคคลจะละเมื่อบุคคลจะดับตัณหาย่อมละเสียได้ดับเสียได้ในทีน่นี้รูปวิจารสัทธาวิจารคันธะวิจารถจา ร, ถจา ร, รถวิจารปทัพพาวิจารธรรมวิจารเมื่อบุคคลจะละเมื่อบุคคลจะดับตัณหาย่อมละเสียได้ดับเสียได้ในทีน่นี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขนิโรธอริยสัจ